สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรคะรายการสันสัีสนทนามาพบท่านอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันสัญญนาคพงค่ะเราก็มาทำให้ยามเช้าของพวกเราทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะมีความหมายด้วยการน้อมนำเอาคำสอนของพระศาสดาเรามาสู่ตัวของเราเองแล้วก็ไปปฏิบัติกันโดยมีประสงค์พระมหาภัยบุตรอภิปุโน ผู้อำนวยการหลักสูตรเล็กเรนต์วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีเป็นผู้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะแล้วก็จะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวที่จะปฏิบัติธรรมกันเบื้องต้นก่อนที่จะก้าวไปสู่ช่วอนอื่นของรายการหลังจากที่เราได้ไปนมัส ก, การท่าอาจารย์กันแล้วนะคะนมัส ก, การนะท่านคะ่ะเจ้าปเราเริ่มต้นของการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมซะก่อนและโดยการตั้งจิตรอราให้เป็นสมาธิ วิธีการที่จะทําให้จิตของเราเป็นสมาธินั้นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าใ ช, ช้ก็คือเรื่องของสัมมาถสติสัมมาถสติบุคคลใดมีแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นบุทรปจุ์เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตั้งสติขึ้นในที่นี้ก็คือให้เรามาระลึกรู้ถึงลหมหายใจสติแปลว่าการระลึกได้พระพุทธเจ้ า, าให้ความหมายไว้ว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจํำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ แทนที่เราจะไประลึกนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนคําพูดคนโ น, น้นคนนี้คนนั้นแต่เราก็ให้มาระลึกถึงเรื่องของลมหายใจแต่ลมหายใจของเรามันเข้ามันออกตลอดเวลาแต่เราจเจ้าจุดไหนก็เอาจุดที่เป็นบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจเรารับรู้ถึงสัมผสัสของลมหายใจได้ที่ตาแหน่งไหนเวลาที่เรามานึกถึงระลึกถึงลมหายใจ<ๆ>ก็เอาจิตของเรามาตั้งไว้ นึกถึงไว้ในที่ตำแหน่งนั้นวิธีการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอานาปานาสติเวลาที่เรามีความคิดนึกใดใดก็ตามก็ให้เรามาคิดนึกถึงลงหมหายใจด้วยเพราะว่าจิตของเรานั้นถ้าเอามาใส่ไว้ในเรื่องใดๆจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจิตของเรามาใส่ไว้รู้ไว้ระลึกเอาไว้อยู่กับลหมหายใจสิ่งที่มาพร้อมกับลหมหายใจคือสติจะก็ย่งมีกําลังมากขึ้น มีกำลังมากขึ้นในขณะเดีกวกันสิ่งอื่นที่เป็นเสียงรบกวนอื่นๆเป็นความคิดเป็นความรู้สึกทางกายก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงการอ่อนแรงลงของสิ่งนั้นเพราะว่าใจของเรามันไม่ได้ไปใส่ไว้การที่สติมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะใจของเรามาใส่ไว้กับลมวิธีการนี้จะเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทําให้ใจของเราเป็นสมาธิอน า, านาปนาสติ สำหรับผู้ที่ต้องการให้จิตเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นขั้นฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สหรือว่าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ตามบุคคลใดที่มีความปรารถนาได้ฌานสมาธิในขั้นนั้นๆพระพุทธเจ้าบอกว่าอานาปานาสติสมาธินี่แหละเธอพึงที่จะต้องทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีอานาปานาสตินี้นอกจากเป็นเรื่องของสมถะเป็นการทําให้จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้ว ยังเป็นเรื่องของการทำวิปัสสนาด้วยเพราะว่าในขณะที่เราเห็นมีรู้ดูลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้สิ่งได้มากระทบเสียงที่ผ่านมาเราก็รู้ลงไปด้วยความรู้สึกในทางกายความคิดนึกต่างๆเราก็รับรู้รับทราบไปด้วยในขณะที่เรารู้ลมหายใจและในขณะที่เรารู้ลมหายใจเมื่อมีสิ่งอื่นมากระทบนี้มีสติตั้งไวน้นี้ถ้าเราเห็นสิ่งอื่นนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เช่นเสียงกนเนินที่เราได้ยินเนี่ยเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในขณะที่เราก็รู้ลมหายใจไปด้วยหรือสัมผัสทางกายตามแขนขาหรือตามหลังที่มันเกิดขึ้นในกายของเราเราก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยหรือว่าความคิดนึกที่ผ่านมาเป็นเรื่องอดีตอนาคตเราไม่ลืมหลงลมหายใจใช้จิตที่มีมาอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึง เห็นความไม่เที่ยงของความคิดนั้นภาษานั้นการที่เราพิจารณาเห็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาด้วยในสมถะวิปัสสนาก็เจริญเคียงคู่ไปพร้อมๆกันในขณะที่เรามาเจริญอานาปานสตินี้นั่นเองเวลาที่เราทํานั้นทําให้เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับหรือว่าเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ต้องไปบังคับหรือว่าพยายามที่จะปรับความคิดนึกหรือบังคับ ให้ลมหายใจมันสั้นหรือมันยาวให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติของมันเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเมื่อเรามีความคิดมีความรู้สึกแล้วอย่าลืมลงลมหายใจถ้ามีความคิดมีความรู้สึกใดๆก็ให้ตั้งจิตไว้อยู่กับลมแั่เป็นผู้ที่ระลึกถึงลมอยู่เรื่อยๆเจ้าสิ่งที่เป็นสมสถาวิปัสสนานั้นก็จะมาพร้อมๆกันบุคคลที่เจริญได้อย่างนี้เป็นผู้ที่เรียกว่าเดินอยู่บนทาง สามารถที่จะเดินไปสู่หนทางที่จะถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ใกล้สู่นิพพานเข้าไปทุกขณะทุกขณะในาการปฏิบัตินี้สามารถทําได้ตลอดเวลาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้มีเสียงใดๆมากระทบฟังเทศอยู่ก็ทําทได้เหมือนกันเจริญปัญนาสาธุค่ะเท่ากับว่าถ้าเราจะทําสมาธิเนี่ยต้องควบคู่ไปกับสติอยู่เสมอถึงจะเกิดสมาธิถูกไหมคะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจเจริญสติก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะได้สมาธิไปพร้อมกันด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะยังไม่แน่ถูกต้อง ส, สติสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอธิบดนะีทำทั้งปวงเนี่ยมีสติเป็นอธิบดีอันนี้เป็นบุทรปจนะคําว่าอธิบดีเนี่ยคือหมายถึงความเป็นใหญ่อย่างในในกรมใช่ไหมก็จะมีอธิบดีในใหญ่ที่สุดใช่ปะทีนี้คำว่าอธิบดีเนี่ยความเป็นใหญ่ในที่นี้มามีรากศัพท์มาจากการที่ตามสายงานคําว่าตามสายงานเช่นคุณจะมาเป็นอธิบดีกรมเนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณจะข้ามห้วยมาได้คุณก็ต้องเติบโตมาจากคุณเป็นอะไรนักวิชาการระดับหนึ่งขึ้นมาสองสามส่ใช่ไหมไล่มาไล่มาเป็นอาวุโสตรงนั้นเป็นผู้อานวยการฝ่ายจนกระทั่งสูงสุดเป็นอธิบดีอันนี้คือมาตามสายงานถ้าข้ามห้วยมามันทํางานกันไม่ได้ในนี้คือลักษณะของสติคุณยมติวที่ว่าจากการาที่เราจะมีศีลนะคุณแบบว่าแหมจะฆ่าสัตว์อแต่มันยังทําไม่ได้จงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้ชอบตบยุงอยู่ เราจะหยุดการที่เราจะไม่ตบยุงได้คุณต้องตั้งสติไปละแต่คุณจะจากไม่มีศีลมามีศีลเนี่ยสติคุณต้องต้องมีอยู่แล้วน่าจะตอนนั้นเลยแต่มันก็ไล่ขึ้นมาเอามีศีลแล้วไงเอามีศีลก็ทําศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันดีขึ้นเช่นรู้ประมาณในการบริโภคเมื่อก่อนเรารักษาศีลได้ดีลอะอาจจะมากินอะไรก็ใส่เอาใส่เอาโดยไม่กินไม่พิจารณาอันนี้ไม่ได้เราก็มาตั้งสติขึ้นก็จะมีการพิจารณาก่อนการรับประทาน เนี่ยนก็จะดีขึ้นมาละจนตัองทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนีสมาธิบางทียังไม่เกิดละแต่ศีมีแล้วพยายามตั้งสติให้ดีมีกําลังมากขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นได้บันั้นประเด็นที่คุณโยมติวพเมื่อสักครู่ว่าเออมีสติแต่บางทีสมาธิยังไม่เกิดอันนี้ถูกต้องเลยมันก็จะเป็นไปตามลําดับขั้นมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ได้ยินการกล่าวถึงอ น, นิสงค์ของ การทำสมาธิแล้วก็ขอให้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเจริญสติดังที่ท่านพปบู์ได้พยายามนำให้กับพวกเราในช่วงตอนต้นของรายการทุกๆวันท่านคะนวันก่อนนู่นได้เชิญชวนผู้ฟังรายการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียด้วยกันใช่เราเชิญชวนไปแค่สองวันเห็นบทได้มาพอสมควรทีเดียวใ ช, ใช่ไหมคะใช่มีผู้ที่สนใจเดินทางไป ร่วมกับคณะของวัดป่าดอนไหส่งเนี่ยจำนวนแท่านด้วยกันอันนี้ก็เ ป, เป็นเรื่องที่ดีมากว่าเราจะได้ไปปฏิบัติที่นั่นนะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ160ยทนะคะท่านฟังแล้วก็ดิฉันเองขออนุญาตท่านเพบูรณ์ที่จะโฆษณาในร า, รายการนี้ด้วยเพราะเชื่อว่าต้องมีท่านฟังที่ประสงค์อยากจะร่วมเดินทางไปเราก็ใช้เวลาพูดกันแค่2วันสองเชา้าเท่านั้นแล้วก็ให้เวลาในการที่จะตอบรับ เพียงแค่ภายใน7วันเนื่องจากกระบวนการในการจัดการนั้นจะต้องดำเนินการไปข้างหน้ารอไม่ได้เพื่อความพร้อมแล้วก็เรียบร้อยอย่างที่สุดท่านใดที่พลาดโอกาสแล้วยังมีความต้องการอยู่เนี่ยนะคะก็เอาไว้ติดตามปีต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาเล่าประสบการณ์ของการเดินทาง ให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าดิฉันเองก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วยระหว่างวันที่สิบสองถึงวันที่สิบเก้ามีนาคมเนี่ยนะคะเชิญานเชิปมีคําถามของท่านฟังเข้ามาหลายท่านเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าดิฉันเองเนี่ยก็ <c oughs> นึกว่าเอ๊จะถามท่านดีหรือไม่ถามดีเพราะว่ามาถามวันนี้ก็อาจจะช้าไปซะแล้วอื <c oughs> แต่อะไรก็ตามเป็นกระแสสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาพุทธของเราด้วยอืดังนั้นดิฉันก็เลยคิดว่า แง่ยมุมที่ฟังมาจากรายการอื่นหรือว่าอ่านมาจากความคิดเห็นของท่านอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราลองมาฟังจากครูบาอาจารย์ของเรากันบ้างนะคะเดี๋ยวกำลังพูดถึงกรณีตุ๊กตาลูกเทพค่ะอ๋อตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาพุทธแต่บางทีคนไทยเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามีการไปให้พระท่านได้ใช้ภาษาปากก็บอกว่าปลุกเสกนะคะอืมค่ะ ที่ว่าท่านมีใครไปขอให้ทำบ้างไหมคะไม่มีเลยธรรมะไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยสามนะของจวดตาลูกเตภ์หรือฉันจะต้องกลับเรียนท่านออื huh. ว่ามารู้จักตอนที่ข่าวขึดังมากแล้วว่อ๋อมีอย่างนี้ด้วยหรอแล้วก็ไม่เคยเห็นใครอุ้มกตาสักทีค่ะอ่าไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นแต่ตามภาพข่าวนะที่จะลงตามทั่วไปเ อ, อทีนี้ใ น, ในความเห็นธรรมาคิดว่าคนที่มีที่พึ่งไม่ถูกต้องยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งนะอ๋อเหรอคะอในความเห็นคือ ถ้าเราจะแบ่งคนเป็นสามประเภทแบ่งคนเป็นสามประเภทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแบ่งคนไว้สามประเภทแบบนี้ก็ได้ว่าหนึ่งคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยแปบว่าคนนี้จะแย่มากหรือจะทําชั่วทําบาปอะไรเขาจะไม่แคร์และมีทิฏฐิที่แบบแย่ที่สุดละอันนี้คือประเภทที่หนึ่งแต่คนประเภทที่สองก็คือคนที่มีที่พึ่งอยู่แต่ว่ายังมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมีที่พึ่งที่มันยังไม่ดีเช่นพึ่งพระก็รื่องที่ว่าจะ ำลวยความประสบความชีวิตความสำเร็จอะไรให้แบบว่าเสกเอาอย่างเงี้ยนะหรือพึ่งต้นไม้พึ่งภูเขาพวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยยังมีคนที่แบบยังไปพึ่งแบบนี้อยู่อย่างไรก็ตามคนที่มีที่พึ่งประเภทที่สองนี้เนี่ยมีที่พึ่งบ้างแต่ยังไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังดีกว่าคนประเภทแรกที่ว่าไม่มีที่พึ่งเลยและนี่คือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องนะประเภทที่สองแล้วก็ประเภทที่สมนี่ก็คือมีที่พึ่งที่ถูกต้องละอะไรคือที่พึ่งที่ถูกต้อง ก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นสารณะหมควาว่าเป็นสารณะเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นที่ไปสู่อย่างเวลาเราคือคือคนสมัยนี้บางทีก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นที่ไปนะบางทีก็หยิบดูเรื่อยหยิบดูเรื่อยนั่นคือเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นที่ไปของจิตของเราก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนี่คือยังเป็นคนประเภทที่สองปากอาจจะบอกว่าเออฉันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะแต่แทนที่จะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยเท่าดูโทรศัพท์มือถือกลับไปดูโทรศัพท์มือถือบ่อยกว คนที่จะมาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นที่พึ่งเนี่ยคือจิตเขาจะไปในทางนั้นไหนจะทําอะไรก็จะนึกถึงพุทโธตรหมโมสองโกกันจะไปไหนก็จะนึกถึงพุทโธธรรมโมสองโกกันอันนี้คือคนประเภทที่3ที่จะมีที่พึ่งอยู่อย่างถูกต้องทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบใน3ามประเภทนี้คนที่มีที่พึ่งไม่ถูกต้องอย่างเช่นกรณีของตุกตาลูกเทพปันดนอย่างเงี้ยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยคนที่ไม่มีที่พึ่งเลยเขาจะทําชั่วทําบาปอะไรแบบ ไม่เกรงใจใครไม่กลัวใครไม่มีหิหริโอตับะนะมีที่ถีติเรียกว่าทําอะไรแล้วไม่เกิดผลไม่เกิดเหตุแบบแย่มากเลยอันนี้อันตรายมากนะคนในสังคมประเภทนี้เราก็จะเห็นอยู่บ้างนะที่เขาจะผิดศีลผิดอะไรเขาจะทําได้หมดแต่ถ้าคนประเภทที่สอนที่มีที่พึ่งแบบไม่ถูกต้องนะจะมีความเกรงใจบ้างว่าแม้ถ้าฉันทําบันนี้คนนี้เขาจะว่าอย่างนั้นก็จะแบบมีความเกรงใจกันบ้าง แต่ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้อย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่ถูกต้องนะสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังแตกสไลด์ทําลายไปได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่สูงสุดจนต้องตอมาถึงระดับที่3นั่นก็คือมีประพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งซึ่งตัวนี้มันก็จะกำกวมนะคุณโยมติว๋วในขั้นที่2องกับสเนี่ยเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของรูปเคารพต่างๆเหรียญหรือว่ารูปภาพครูบาอาจารย์หรือที่เราจะบอกว่าเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ย ถ้าเราจะบอกว่ามองให้เป็นไสยศาสตร์คือหมายถึงว่าเป็นวัตถุที่แบบจะอำนวยพรอภพรอย่างนั้นก็ก็จะได้เหมือนกันมันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าเราจะมองว่าอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆอันนี้ก็จะมาถูถกทางมาถูกต้องแต่พราะนั้นตรงนี้เราจะต้องมองให้ขาดมองให้รัดกุมอบบว่าเขาทําไปแบบไหนมีจิตใจเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องดูที่ผู้ที่นับถือตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะค่ะก็เท่ากับว่า การมีที่พึ่งเนี่ยเป็นความจําเป็นของมนุษย์หรือไงคะถูกตฟังจากที่ท่านพูดใช่ใช่จำเป็นมากจําเป็นมากนะคะพระศาสดาเรายอมรับไหมคะว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีที่พึ่งถูกต้องพระองค์เป็นคนตรัสเองว่าให้มีพุโทโธธรรมโมสังโคโปรเป็นที่พึ่งนต่ให้มีทําที่พึ่งของตนเองให้ดีนี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะค่ะอ่าใ ห, ให้ให้มีที่พึ่งเพราะว่าจิตเนี่ย ถ้าไม่มีที่พึ่งคําว่าที่พึ่งเนี่ยคือคือสารณะเนี่ยนะคำนี้เนี่ยนะหมายถึงการเกาะเอาไว้เรามาทำความเข้าใจนิด น, นึงว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะไปตามกระแสนะจิตของมนุษย์จะไปตามกระแสกระแสอะไรกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ถ้ามีอะไรมากระทบตุม้มมันจะไปตามกระแสนั้นให้เราสุขบ้างให้เราทุกข์บ้างทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้ แต่มีอะไรมาใส่หูปุ๊บคุณรับรู้เสียงทันทีแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นที่ชอบใจจิตมันก็จะถูกลากขึ้นถ้าเสียงนั้นเป็นที่ไม่ชอบใจจิตก็จะถูกลากลงมันก็จะมีความพอใจไม่พอใจอันนี้จะไปตามกระแสแต่ถ้าจิตไม่มีที่พึ่งจะไปตามนั้นแมันก็จะออกมาในรูปแบบของเช่นบาอะไรเขาบอกว่าเอ้ย e คุณไปนอนในโรงสิคุณทําอย่างนั้นสิคุณทําอย่างนี้สิก็จะไปตามกระแสนั้นเก็จะไปตามกระแสเลื่องถูกผิดไม่รู้เลยก็ไปตามกระแสแต่บางทีกระแสเนี่ยมันไปทางต่ํา มันไปทางต่างเนี่ยสามารถที่จะลากจิตดวงนี้ให้ไปถึงคบเพื่อนชั่วทําปิดศีนอาไปนรกเลยนั่นก็จะเลยไปทางนั้นก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้จึงต้องระวังเพราะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องมีที่ไปสู่คําว่าที่ไปสู่นี้คือสารณะนั่นเองจิตต้องมีอะไรเป็นที่ไปสู่แต่กตําดอบก็คือสติและจิตต้องมีสติเป็นที่ไปสู่และสติเนี่ยจึงเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่กูจะมาตั้งสติได้ก็ต้องมีพุโทโธธโมสองโกมันเป็นสายเดียวกันมา คำว่าสารณะก็ตามคำว่าสติก็ตามเนี่ยมาจากรากศัพท์คำเดียวกันแต่คือมีที่เกาะมีที่พึ่งอย่างนี้เสียหายอย่างไรคะกับการที่จิตไหลไปตามกระแสคุณยมติว่านรกมันมันร้อนไหมล่ะมันค <c oughs> ดีที่ไม่ดีนะนี่คือ <c oughs> ความเสียหายนะถ้าเราไปอยู่ในกำเนิดเดรัชานนรกเปรตวิสัยพวกนี้เสียหายมากเสียหายมากพลาดเลยพลาดเพราะว่า ที่ทานบอกว่าพอไปมีผัสสะใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆนั้นความรู้สึกต่างๆนั้นท่านก็เลยจะบอกว่ามันอาจจะเป็นนรกก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องเอาเลยไม่ต้องพูดถึงนรกแบบที่มีกระทะทองแดงมีโยมาบาลมีนายเรียบานอันนั้นยกไว้ก่อนก็ได้น ะ, ะเอาแค่ปัจจุบันนี้ซึ่งส ม, มืติว่าเราชอบเพลงร็อกเพลงปอ๊อปแล้วอยู่ๆมีคนเปิดหมอลำวายเปิดหมอลำอะไรฉันไม่ชอบหมอลำนะเราจะเหมือนอยู่ในนรกทันดีเมื่อเปิดเสียงดังด้วยนะ เปข้างบ้านเนี่ยฉันจะฟังเทศฟังธรรมถ้ามาเปิดอะไรเราจะเหมือนอยู่ในนรกตันทีเข้าใจไหมเพราะว่าจิตเรามันจะร้อนค่ ะ, คะเออเอาแล้วทวาําไงอ่ะก็นี่ไงจิตไม่มีสติมันก็จึงร้อนรุ่มไปตามภาษาที่มากระทบเพราะว่าจิตไม่มีที่พึ่งแล้วเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ท่านบอกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสให้จิตของเรามีสาระที่พึ่งคือสติคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่พึ่งถูกต้องช่วยได้อย่างไรคะก็จะจิตที่มีสตินัก็จะทําให้จิตนั้นเนี่ยคือสติต้องมีสติอจิตต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ใช่ไหมทีนี้พอจิตมีสติเป็นที่เล่นไปสู่แล้วเนี่ยสติเนี่ยจะพาจิตให้พ้นจึงมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระบรมเจ้าตรัสกับอุณาพระพรามบอกว่าสติเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตวิมุติแปลว่าพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากการรัดรึงของไอภาษาที่มากระทบ เสียงมันก็มีก็มีไปแต่ว่าใจฉันไม่ทุกฉันไม่ชอบเพลงนี้ฉันก็ทราบอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ร้อนรุ่มรุ่มร้อนไปตามเพลงที่มันมาจังหวะมันตึกตักตึกตักไม่ตามนั้นแต่วิมุตติเนี่ยตึกแปลว่าพ้นแต่พ้นจากการรัดเริงของสิ่งนั้นอันนี้จะเป็นประโยชน์ะก็ลองจินตนาการตามนะคะประสบการณ์ที่เราได้พบเนี่ยจะเป็นอย่างที่ท่านพิบูลได้กล่าวก็คือว่าจะมีคนบางประเภท ที่เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วรู้สึกร้อนรุ่มมันทนไม่ได้มันไม่อยากจะทนมันนำคานไม่รู้สึกสบายไม่ชอบแต่ในขณะที่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่คนทั้งหลายไม่ชอบไม่พอใจนั้นอย่างไม่ร้อนรุ่มได้เพราะเขามีสติตูตังตูตังค่ะสติในลักษณะนี้เป็นสติอย่างไรคะถึงทาให้ไม่ร้อนรุ่มได้ เป็นสมาสติไง ท, ที่ไม่ร้อนรุ่มได้เพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตคําว่าวิมุตแปลว่าพน้นดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งว่าพอเราทําความพนน้นให้เกิดจนชนานาญเป็นวิมุตใช่ไหมวิมุติแปลว่าพ้นเนี่ยมันวิมุตเนี่ยก็จะเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนะเพราะนั้นใจของเรามันก็จะเย็นเย็นตรงนี้ก็คือแบบไม่ร้อนรุ่มอ่ะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ในไหนในสิ่งที่มากระทบนั้นค่ใจเราก็จะสบายอย่างเงี้ยนะค่ะในที่นี้ที่ฉันเข้าใจว่าท่านพิบูณ์ไม่ได้พูดถึงนิพพานที่หมายถึงว่าไม่มีการเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานในระดับที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่หรือเปล่าคะเออนี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงตั้งแต่ระดับธรรมดาธรรมดาเช่นว่าเราฟังเสียงแล้วเราไม่ได้กวนใจเรา จนกระทั่งถึงนิพพานถึงระดับพระอาหารหันนั่นเลยนะคื อ, ค, อคือตั้งแต่อย่างที่คุณยมติเข้าใจว่าหมายถึงว่าระดับพระอาหารหันเลยนะั่นก็ใช่อยู่แต่ก็ยังหมายถึงระดับของแบบชาวบ้านชาวช่อ ง, องเราธรรมดาแล้วก็ด้วยเหมือนกันแต่มันเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปคือแสดงว่าเป็นพุทธพจน์ที่ครอบจักรวาลใช้ได้ตั้งแต่ระดับที่วิมุตต์หลุดพ้นไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะไม่มีการเกิดกับการพ้นจาก ความทุกได้พบความเย็นใช่อันนี้สับสับเทคนิคนะสับเทคนิคก็คือยังมีการกลับกำเริบนะก็มีการกลับกำเริบอยู่ <S <S นิพานคำว่นิพานเนี่ยหมายถึงว่ามันเย็นนขณะนั้นนะนะทีนี้ถามว่ามันยังกลับกำเริบได้ไหมก็อยู่ที่ว่าคุณยังมีอวิชาอยู่หรือเปล่าถ้าเบิดว่ายังมีอวิชาอยู่บางทีความเย็นนั้นมันไม่ได้เย็นตลอดนะมันก็ยังกลับกำเริบได้เช่นว่าตอนนี้เราจิตสติเรามีกําลังอะเราฟังอะไรก็ไม่มีปัญหา แต่พอคุณไม่ได้ฟังเทพอ่ อ, อนฝึกซ้อมไม่ได้นั่งสมาธิทุกวันเดี๋ยวเริ่มกลับมาละจิตใจมาเริ่มปั่นป่วนอีกอันนี้คือยังมีการกลับกําเริบเราก็ต้องฝึกต่อไปฝึกต่อไปจนกระทั่งมันไม่กลับกําเริบพระพุทธเจ้าก็จะหมายถึงจุดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะสาธุค่ะดังนั้นดิฉันจะขอขโมดในเรื่องที่ได้ยกเป็นประเด็นสนทนาแรกก็คือเรื่องของความเชื่อลักษณะตุกตาลูกเทพนะคะว่าถ้าเป็น ความเห็นของท่านฟิบูลแล้วการมีที่พึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นที่พึ่งยังไม่ถูกก็ยังดีกว่าเพราะพระพุทโธเองก็รองรับในส่วนของการที่จะต้องมีที่พึ่งก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะจิตนั้นต้องมีที่ไปสู่หรือว่าสาระคือสติแต่ว่าเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วว่ า, าที่เราพึ่งอยู่ ยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้องก็ค่อย ค, อยคอยพัฒนามาเป็นที่พึ่งที่ถูกต้องดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ก็คือให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่นะคะดิฉันเองเห็นใจนะคะเพราะก็มีความเชื่อว่ามีที่พึ่งดีกว่าไม่มีที่พึ่งถ้ายิ่งอย่างที่ท่านได้กล่าวว่าเมื่อไปพึ่งอะไรแล้วจะเป็นส่วนที่เตือนสติ ให้ทำแต่ในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่สร้างสารรค์นั่นก็เป็นประโยชน์ในโอกาสที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยพูดสรุปซ้ำอีกทีได้ไหมคะว่าดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องการที่พึ่งจริงๆนะคะควรจะทำอย่างไรถึงจะพึ่งได้แล้วก็พึ่งดีกว่าที่เคยพึ่งอย่างนั้นมาด้วยคะ่ะที่พึ่งถ้าเรารู้แล้วว่า มีที่พึ่งที่สูงสุดดีอยู่เนี่ยเราเราไม่ต้องไปพึ่งอะไรที่มันจะไม่ดีเลยก็ได้นะคือคเราข้ามไปเลยคือจาก1นึสคุณรู้ไหมว่าสามันมีอยู่ก็ไปที่3เลยไม่ต้องไปที่สองก่อนแต่ประเด็นสาเนี่ยก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่คำว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือมาดูสิว่าว่าพระพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำอะไรนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมหรือธรรมะเป็นยังไงพึ่งธรรมะ เอาก็คือให้มาปฏิบัติตามมรรคแแต่พึ่งตนก็คือให้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทําแต่เพราะฉะนั้นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเน้นเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติปฏิบัติอะไรเฉพาะเจ่อจงลงมาก็คือตั้งสติเอาไว้นั่นเองแต่ะนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันว่าเออเรามาตั้งสติให้รู้ดูอยู่กับลมหายใจข่าวสารมาทางช่องทางไหนโซเชียลแบบไหนก็ตาม เ, าเราอย่าพึ่งแบบว่าตะลีตะเหลือกไปตามข่าวสารนั้น นให้ตั้งสติไว้ให้ดีอย่าวันไว้ไปตามสิ่งนั้นการตั้งสติเนี่ยคือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่ตัวพระองค์เองตอนที่ตรัสรู้พึ่งในช่วง15วันแรกเนี่ยก็มาคิดว่าเอ๊ะจะสอนเรื่องอะไรดีแล้วก็นึกถึงสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นเรื่องแรกก่อนเลยนะว่าจะเป็นก็เรื่องมือที่จะทําให้เราสามารถพ้นจากความทุกข์ได้แต่บัดนั้นถ้าจะพูดเฉพาะเจะจงคําว่ามีที่พึ่งที่พึ่ง ก็คือตั้งสติอาไว้นั่นเองนะตั้งสติไว้ตรงนี้เราทําได้ใช้อะไรลมหายใจก็ได้จะใช้พุท ธ, ธานุสตนะิก็ระลึกถึงพระโพธิชฌาใช้ธรรมานุสติก็ระลึกถึงพระธรรมก็ได้ทั้งนั้น น, น, นี่คือหลักการปฏิบัตินั่นเองค่ะความคาดหวังของคนที่ไปมีที่พึ่งในลักษณะของตุ๊กตาอย่างว่า น, น, นะคะก็ได้ยินมาว่าพอได้เลี้ยงดูแล้วทําให้ฐานะดีขึ้นค้าขายดีขึ้น ทีนี้พอจะมามีที่พึ่งดังที่ท่านไปบูบุญได้บอกว่าพระพุทธองค์แนะให้พึ่งเช่นนี้สอนให้พึ่งเช่นนี้จะช่วยทําให้การค้าดีขึ้นไหมคะจะช่วยทําให้รวยขึ้นไหมคะเรื่องของการค้าหรือว่าการมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยน ะ, ะสมมติถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเป็นตุ๊กตาจะเป็นปราเครื่อจะเป็นสิ่งของใดสักสิ่งของหนึ่งที่คุณจับต้องได้ก็แบบว่าเสกมาแล้วนะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ ก็ถ้าผมว่าเราลองทําดนะูเราลองแบบถ้าเราจะคิดว่ามันจะให้ดีใช่ไหมคุณก็ลองลองดอูสมมติคุณเก็บไว้บูชาไว้อย่างดีแล้วนะเช้าเย็นทํสามเวลาตาม ท, ที่เขาบอกแนะนํามาโดยเครื่องบูชารกแล้ว แ, แต่แล้วคุณก็ด่าคนแล้วคุณก็ฆ่าสัตว์แล้วคุณก็ลักทรัพย์ด้วยเจอหัวใครก็ตีเขาถามว่ามันจะตีขึ้นมาได้ไหมมันจะเจริญขึ้นมาได้ไหมถ้าเราจะทดสอบกันดูนะว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้มันดีันะ้นแน่นอนว่าถ้าเจอลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็ด่าชอ็ชอต เข้ามาเราก็ขโมยของเขามันไม่มีทางที่การค้ามันจะรุ่งเรืองขึ้นมาได้ต่อให้มีไอ้แบบนี้สัก10บยีอันอันนี้เราทดสอบได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เครื่องที่เราจะมายืนยันนั่งยันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดถูกไหมว่าถ้าสิ่งมีสิ่งนี้แล้วคุณทําชั่วต่อให้มันดีมันจะไม่ดีขึ้นมาไงแต่ถ้าเราทําดีประเด็นคือตรงนี้คุณโยมติ ว, ว่าเอา้างั้นแสดงว่าเครื่องอะไรที่คุณบูชาอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้จะเป็นเครื่องที่จะยืนยันว่าให้มันมีอยู่ได้ตลอด นี่แหละคือคำสอนของระพปุจจานะคุณโยติวอารมาไม่ได้บอกว่าถ้าคุณปฏิบัติตามๆแล้วคุณรักษาศีลคุณจเจริญภาวนาแล้วคุณจะค้าขายคล่องแล้วคุณจะมีเงินในกระเป๋ามากมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าบางคนก็กินยาขมก็มีนะยาขมหมายความว่างไงบัปพปุจจาเคยเปรียบเทียบยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยคือเอาลูกสมอไปดองน้ำปัสวะมันรสชาติมันขมมัน ฝาดมันเปรี้ยวมันเค็มแต่ว่ามีคุณสมบัติเป็นยาในการกระทําความดีบางอย่างเนี่ยบางทีมันอยู่ในสถานการณ์ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเอ่อบางทีมันก็จะไม่ได้ร่ํารวยขึ้นมาแต่อย่างน้อยใจเราจะมีความสุข น, นได้ผลเป็นผลดีแต่เพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่มาภายนอกเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเจติยศเนี่ยเป็นเรื่องของขันห่านะเป็นเรื่องของขันห่าซึ่งบางทีมันก็จะดีมีก็มา บางทีมันก็จะไม่ดีตามนั้นก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกชื่อเสียงกิติยศปุณนี้เป็นโลกธรรมแปดมันอาจจะขึ้นอาจจะลงได้แต่สิ่งที่เราต้องรักษาให้ดีคือเรื่องของมาร์กในใจของเราถ้าเรารักษาดีแล้วอันนี้จะมีผลเป็นความสุขอย่าน้อยสุขใจในปัจจุบันและถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมูลมันก็จะมีความสุขมาจากทางภายนอกได้อันนี้นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้นะค่ะก็ แปลว่าถ้าเรารักษาใจของเราให้ดีปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปใจที่ดีนั้นก็หน้าที่จะนำมาสู่การที่ทำให้เราทำอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็มีผลที่ดีได้อันนี้คือจะเป็นกรรม ด, เดีเป็นกรรมดี ค, คือคำว่าน่าจะนี้คือเราเปลี่ยนเลยว่าแน่นอนอืมค่ะค่ ะ, คะอ่า ก็คงจะพอสมควรนะคะทีนี้ s okay. <S มีอีกคำถามดิฉันเข้าใจว่าน uh ่าจะตอบได้ในเวลาอันสั้นเรื่องราวน่าสนใจมากคงเป็นสุภาพสตรีนะคะก็บอกว่าเป็นซิงเกิลมัมถูกทอดทิ้งมาสองปีโดยที่ไม่ทราบไม่สามารถติดต่อได้เลยมีแค่โอนเงินมาให้ทุกเดือนเท่านั้นถูกทอดทิ้งจากสามีให้เป็นซิงเกิลมัมส่งมาให้แต่งเงินพยายามทาใจและไม่ยึดติด จะลืมได้ชั่วคราวก็ตอนที่ไปทำงานแต่เมื่อจิตว่างจิตจะไปเกาะติดเพื่ออยากตามหาคนที่หายไปมันถึงวันนี้จิตตกมากฟังเทศทุกวันพยายามปฏิบัติให้ละที่จะคิดให้ไวในชีวิตประจำวันแต่ด้านมืดของจิตมีอำนาจเหนือกว่าด้านขาวเราจึงทนทุกข์ถึงกับไม่อยากจะอยู่แต่ก็แค่คิดคิดมาหลายเดือน ไม่กล้าส่งคําถามมาสักทีวันนี้จิตใจอ่อนแอมากนึกถึงพระอาจารย์เป็นที่พึ่งเพื่อให้มีกําลังใจเป็นแม่ที่ดีของลูกต่อไปนะคะอยากมีอํานาจเหนือจิตอืมตัวนี้แหละยมตีว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันไปใส่ในเรื่องอะไรแั้วจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นถ้าจิตของเรายังไปใส่ในเรื่องราวที่มันผ่านมาเราคิดอี่ไรมันเหมือนกับเอามีดมาแทงหัวใจเราทุกทีแต่มันเจ็บเจ็บที่ใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วคําถามในลักษณะที่ว่า เอ๊ะทำไมฉันผิดอะไรชันผิดอะไรแต่คือถ้าถามตัวเองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นโอ้นี่น่คุณผิดพ้าดอย่างนี้ก้อที่หนึ่งนะสคุณไม่ดีอย่างนี้3ามคุณไม่ดีอย่างนั้นนี่4คุณทำอย่างนั้นโอ้มันจะเป็นรายการมาเลยนะบึมบึมบึมบึมโอ้มันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราช้าใจและช้าใจเราก็อยากจะเอาจิตไปใส่ตรงนั้นและคําตอบที่คุณเจ้าของคําถามถามมาในที่นี้ที่บอกว่าเออตอนที่ไปทํางานก็ลืมได้นี่แหละนี่แหละคือทางออกตรงนี้้แหลละคคืืออาาตมไดชั่ววร ก็ตอนมาทำงานเท่านั้นแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยใจของเราเอาไปใส่ในเรื่องอื่นพอใจของเร า, เาไปใส่ในเรื่องอื่นเออเรื่องนั้นมันไม่ได้มีมามีนัยยะสำคัญใรในใจของเราตรงนี้แหะคือทิศทางออกที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มันไปในทางนั้นให้มากา ก, ก็หาอย่างอื่นทำนะคบเพื่อนดีหางกิจการงานอย่างอื่นนะที่ทำให้เราลืมเรื่องที่มันไม่ดีนั่นจ้ะทำไปอย่างเงี้ยทำไปอย่างงี้จนกระทั่งจิตของเราตั้งสติกันได้ นี่ยมันก็จะน้มน้อมเอียงเทไปในทางที่จะไม่ทําให้ใจของเราช้าในที่คุณท่านเจ้าของคําถามถามมาเนี่เช่นการฟังเทศอยู่เรื่อยๆเนีเราแทนที่เราจะฟังเพลงน่ยฟังวิทยุบางทีวิดีโอเขาก็เปิดเพลงแบบเศร้าเพลงอกหักอะไรเงี้ยนะมันก็ยิ่งทําให้ช้ําใจเข้าไปอีกเอ้าอย่าไปฟังมันฟังเทศดีกว่าน่ยฟังเทศที่เป็นพุทธพจน์บ้างฟังเทศที่อรมาทิบายบ้างหรือรายการไหนๆก็ได้ที่ฟังแล้วมันจะมีกําลังใจเรื่องหนึ่งที่ฟังจะมีกําลังใจกับพุทธประวัติเนี่ย ฟังแล้วมันจะฮึ่มีกําลังใจต่อสู้ได้แต่เราฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จิตใจของเราจะมีความเข้มแข็งมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณยมติวในโลกก็มีสุขบ้างทุกบ้างมันก็มีแต่ทีนี้ใจของเราเราต้องรักษาให้ดีเมื่อสิ่งใดผ่านมาแล้วเราก็อย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นนะคือพูดตอนนี้เรามาพูดเดี๋ยมันง่ายไงแต่คนเจอเองเนี่ยมั น, มนยากแล้วยิ่งพูดในขณะที่แบบยิ่งช้ําใจเนี่ยยิ่งยากเขาไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจมาเคยสมัยก่อนดูหนังเรื่องสายลับศูนย์ศูนย์เจดอะนะเจมส์บอร์เนี่ยคุณโยมเดี๋ยวเคยดูใช่ไหมเคยดูบ้างค่ะเออมันจะมีตอนที่พระเอกเนี่ยเคยโดถูกยาพิษโดนยาพิษนะแล้วพิษเนี่ยมันรวดเร็วอะสำหรับฆ่าสายลับเนี่ยกว่าที่เขาจะไปถึงยาแก้พิษได้เนี่ยเขาจะต้องกินเกลือกับดินก่อนอันนี้คือสายลับเขาจะฝึกมาว่าถ้าไม่มีอะไรกินไม่มียาแก้พิษเนี่ย คุณต้องต้องกินเกลือกับกินดินเพื่อที่จะให้ไอพิษเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่กระแสเลือดได้ได้รวดเร็วนะทีนี้กว่าที่เราเปรียบเทียบเหมือนกันนะ่ะเราถูกลูกศรคือตันหาแทงมียาพิษคืออวิชานี่ยพอความจริงมันปรากฏขึ้นไออวิชาเนี่ยมันพิษมันจะเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของเราแล้วจะเจ็บยีดเลยนะเราจะต้องกินเกลือพวกนี้ก่อนนเกลือหรือว่าดินที่จะมาช่วยให้พิษเนี่ยมันชะลอการเข้าสู่ใจได้ช้าลงทําให้เราเจ็บน้อยลงเนี่ยก็อย่างที่ ท่านเจ้าของคำถามพูดนี่แหละว่าก็คือการที่เราไปทํางานหรือว่ามีเพื่อนดีแต่ทำให้เราลืมสิ่งนี้ได้บ้างแล้วที่แท้เราต้องหายามาใส่นะยาที่มาใส่นั่นก็คือธรรมะนั่นเองการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมพวกนี้เป็นธรรมะที่จะมาใส่ยาให้ปากแผกเราหายคลายพิษของเจ้าสิ่งที่เป็นอัตนาวิชาพวกนี้ได้ก็เป็นกําลังใจให้คุณยมติวมาเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปค่ะถดงเข้าใจว่าสิ่งที่ ท่านได้ตอบเนะี่ยเป็นวิธีที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายๆแต่ว่าดิฉันก็คิดตา ม, มานะคะ อ, อ่แล้วก็รู้สึกเห็นใจมากเลยเ อ, อ่มานั่งปรับตาให้คนเราอยู่ดีๆเป็นคู่กันอยู่มีลูกด้วยกันอีต่างหากทั้งสองคนหายไปเลยแต่ก็ยังดียังส่งเงินมาให้นะคะจะว่าไปเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยความรับผิด ช, ชอบชีวิตอีกสองชีวิตเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าไม่มีเงินทองมา เจออาจารย์นะคะก็ต้องนมัสการขอบพระคุณท่านเพรียบูรณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนมัสการาค่ะท่านฝังค่ะนั้นคือพระมหาเพยบูร์อภิปุณโณท่านผู้อำนวยการหลักสูตรริเรนของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่มีการสอนให้พวกเราเจริญสติกันอยู่เป็นประจำทุกๆเดือนนะคะเดือนละประมาณ7วันเต็มๆสาหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จราจำวันของพวกเราได้บางครั้งคำถามของคนอื่นซึ่งในรายละเอียดไม่เหมือนกับเราเลยแต่โดยหลกัหลกๆแล้วใช้ได้ร่วมกันก็เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ผู้ที่ถามคำถามมาแต่ว่ายังรวมไปถึงท่านอื่นๆคนถามคำถามก็ได้อ น, นิสสงของการถามเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ท่านพิบูร์อยากจะขยายความในเรื่องเกี่ยวกับการมีอานาจเหนือจิตที่ท่านฟังท่านที่เป็นซิงเกิลมัมได้ถามมา ท่านทั้งหลายก็โปรดติดตามกันต่อไปนะคะในรายการสัมมนีสนทนาที่ดำเนินรายการโดยดิฉันสัสมนีหน้าพงเนี่ยแหละค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พู้ทว่าสวัสดีค่ะ